สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท ส, สีในสมัยพุทธ ก, กาลก็มาพบกันตามปกติและเรื่องที่จะนำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านนาถปิฎิกาเศรษฐีอุบาสกและเรื่องที่เล่ามาในตอนที่แล้ว ก็เล่ามาถึงตอนที่ท่านอนาถปีติกาเศรษฐีได้กราบทูล น, นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จมาจำพรรษาอย่างเมืองสาวัตถีแล้วท่านก็ได้มาแสวงหาสถานที่ที่จะสร้างวัดถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าสถานที่ที่ท่านพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมดีก็คืออุทยานของเจ้าเชตรรัตชกุมาล ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพระเสนาธิโกศลโดยธนานาถพิเิกะเศรษฐีพิจารณาเห็นว่าพระอุทยานของเจ้าเชตรราชกุมารเป็นสถานที่เหมาะสมจึงได้ไปเข้าเฝ้าเจ้าเชตรราชกุมารและกราบทูลว่าขอใต้ฝ่าพระบาทจงประทานขายพระอุทยานแก่กล้ากระหม่อม เพื่อจัดสร้างพระอารามพระชคะเจ้าเชตรราชกุมารตรัสว่าดูก่อนท่านกราหังพอดีอารามเราไม่ขายเราไม่สามารถจะขายได้นอกจากท่านซื้อด้วยเอาทรัพ์มาราดเรียงเป็นโกดฎลงในสถานที่นี้ท่านนาาันทบิกาเศรษฐียิงกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้น เป็นอันว่าพระองค์ทรงตกลงขายอารามแล้วพระโชก้าเจ้าเทตราชชกุมาตรตัดค้านว่าดูก่อนกระเบมบดีฉันยังไม่ได้ตกลงขายอารามแต่ท่านนาถาปิติกะเศรษฐีก็กราบทูลยืนยันว่าที่พระองค์ตรัสเช่นนั้นก็เป็นอันว่าตกลงขายแล้วแต่เจ้าเชตราชชกุมานก็ตรัสคัดค้านว่า ยังไม่ได้ขายเมื่อบุคคลทั้งสองยังพูดตกลงกันไม่ได้จึงต้องไปหามหาหมัดผู้พิพากษาความโดยเข้าไปถามมหาหมัดผู้พิพากษาความว่าการที่เจ้าเชตฐราฐชกุมารตรัส ด, ดังนั้นเป็นการตกลงขายหรือไม่ตกลงขาย มหามาดผู้พิพากษาตอบว่าเมื่อพระองค์ทรงตีราคาแล้วก็เท่ากับเป็นการตกลงขายอารามแล้วพระเจ้าค่ะฝ่ายท่านนาถาบิติกาเศรษฐีเมื่อตกลงได้ซื้อพระอุทยานของเจ้าเชตรา ช, ชกุมารแล้วจึงสั่งให้คนบรรทุกเงินเหรียญใส่ในเกวียนนำไปเรียงรายให้ริมเหรียญจดกัน ในพระอุทยานนั้นแต่ปรากฏว่าเงินที่ขนไปเรียงรายยังขาดอยู่อีกนิดหน่อยไม่เต็มสถานที่ดีที่ดีจะซื้อนั้นคือสถานที่ยังเหลืออยู่ที่ใกล้ซุ้มประตูเงินที่ขนมาไม่พอท่านเศรษฐี จ, จึงสั่งให้คนทั้งหลายไปขนเอาเงินมาอีกขณะนั้นเจ้าเชิดราชกุมาร ทรงพระดําริว่าเรื่องนี้คงจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยคราบบอดีจริงเสียสละทรัพย์มากมายถึงเพียงนี้ทรงพระดําริดังนี้แล้วจึงรับสั่งกับานานาธรรมนันทะบินิกาเศรษฐีว่าพอแล้วท่านคราบบอดีท่านอย่าเอาเงินมาเรียงรายในที่นี้อีกเลยท่านจงเหลือที่นี้ไว้ให้โอกาสแก่ฉันที่ว่างตรงนี้ฉันยกให้ ทนานาถมิตรกะเศรษฐีคิดใคร่ครวญว่าเจ้าเชตราชกุมารทรงเป็นผู้ระดึงเรืองพระนามมีคนรู้จักมากจะทําให้คนทั้งหลายที่รู้จักพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่เกิดความเลื่อนไสในพระธรรมวิญัาณได้จึงเหลือที่ว่างนั้นไว้ให้เจ้าเชตราชกุมารเจ้าเชษฐราชกุมารรับสั่งให้สร้าง ซุ้มประตูลงในที่ว่างนั้นส่วนธ น, นานาถบิลิกาเศรษฐีได้ให้สร้างวิหารหลายหลังไวในวัดพระเชตวันมหาวิหารสร้างบริเวณสร้างซุ้มประตูสร้างสลาขอฉันโรงไฟกปียกกดีวัชกุดีคือสุม้มที่จงกรมโรงจงกรมบ่อน้ำ ศาลาที่บ่อ น, น้ำเรือนไฟศาลาเรือนไฟสะบกครณีและสร้างมูลดกสำหรับเป็นที่อยู่และเป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพิสุสมศาสนสถานต่างๆที่ทานานาถบาิติกะเศรษฐีสร้างขึ้นในบริเวณวัดป ร, ระเชตวันมหาวิหารดังมีชื่อปรากฏอยู่ใน อานาถปิฎิกาปฏิกถาสันติเกนิทานแห่งอัตกถาชาดกว่าท่านอนะปิฎิกาเศรษฐีสร้างพระคันทุ ก, กุดีคำว่าพระคันทุ ก, กุดีก็คือกูดีที่อบด้วยกลิ่นหอมระรื่นสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ในถ้ำกลางสร้างเซนาสะนะเป็นต้นว่ากูดีชั้นเดียวกุดีสองชั้น สลายาวชื่อหังสะวัดปิกะมณฑบอันเป็นอาวาสที่อยู่รวมโดยลำดับสำหรับพระเถระ80องค์ทั้งหลายสะบกครณีก็หมายถึงสะบัวที่จงกรมที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันรอมรอบพระคันธกุฎีนั้น เรื่องการสร้างสลาที่พักรายทางจากเมืองราชครึมาทิ้งเมืองสาวัตถีทั้งการสร้างวัดประเชตวันมหาวิหารที่ท่านอนาถบิติกะเคยทีได้สละเงินเป็นจนํานวนมากมายมีกล่าวอยู่ในอนาถบินทิกะกะหปฏิกถาสันติเกนิธานแห่งอัตกถาชาดกในอัตกถาคัมภีโมรัฐาปูรณี และในอัตกถาคำพีสารัตปกาสินียว่าท่านานาถาบินิกะเศรษฐีได้สละทรัพย์เพื่อก่อสร้างที่พักเป็นสารารายทางขึ้นหลังละหนึ่งแสนกะหาปณะโดยสร้างขึ้นไว้ในระยะทางที่ห่างกันทุกๆหนึ่งโยน สลับไปเป็นที่พักระหว่างทางของพระพิสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขและเมื่อนับระยะทางจากเมืองราชครืถึงเมืองสาวาทีได้45โยิบถ้านับจำนวนเงินที่ท่านเศรษฐีบริจาคสร้างสลารายทางทั้งหมดได้สล้านหแสนกะหาปณะนะส่วนเงินที่ใช้ซื้อพระอุทยานของ เจ้าเชตดราชกุมารเป็นจํานวน18โกดกหาปณะไนดะ้เงินที่ใช้ทําการก่อสร้างวัดทั้งหมดอีกจํานวน18โกดกหาปณะนะเมื่อรวมเงินที่ใช้ซื้อที่ดินได้ค่าก่อสร้างเสนาสนะทั้งหมด36โกดกหาปณะนะและวัตถุที่ท่านานาถบิติกะเศรษฐีจัดการสร้างขึ้นมีชื่อว่า วัดประเชตวันมหาวิหารโดยนำพระนามของเจ้าเชตราชกุมารมาเป็นชื่อวัดครั้นการก่อสร้างวัดประเชตวันมหาวิหารเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านนาถาบินิกาเศรษฐีจึงส่งทูตไปกราบทูลรัตนาประพู่มีประภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสอ์เป็นจำนวนมากให้เสด็จมาอย่างพระนครสาวัตถี พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิสุสงไปจำนวนมากได้เสด็จออกจากพระนครราชกุฎมาตามพ้นทางที่ท่านอนาถบาินิกาเศรษฐีได้ให้สร้างสลารายทางไว้สำหรับประทับพักในระหว่างทางโดยพระองค์เสด็จพระพุทธดำเนินโดยลำดับมันขาวละหนึ่งโยชนึโยน์เท่ากับ400เส้นหรือ16กกิโลเมตร เมื่อรวมเวลาที่เสด็จพระพุทธดาเนินทั้งสิ้นได้45วันจึงเสด็จถึงพระนครสาวัตถีแควนโกศลหรือประเทศโกศลฝ่ายท่านานาถาบิดกะเศรษฐีได้ให้คนจัดการประดับตกแต่งพระวิหารไว้อย่างสวยงามและให้บุดพร้อมด้วยพวกกุมาร500คนถือธงผ้า5สี จำนวน500คันไปรับเสด็จในการรับเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ธนนาถมีเดชเศรษฐีได้จัดขบวนรับเสด็จโดยให้พวกกุมารที่ถือธง500คนเหล่านั้นเดินนําเสด็จไปข้างหน้าส่วนขบวนต่อมาเมื่อพวกอุบาสกเดินนําเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ ขบวนลําดับต่อมาให้ภรยากับหญิงบริวาร500คนถือต้าน้ําตามขบวนเสด็จและขบวนสุดท้ายเป็นขบวนของท่านอนาถปณนิกะเศรษฐีพร้อมด้วยเศรษฐีบริวาร500คนเดินตามขบวนเสด็จเข้าในวัดพระเชตวันมหาวิหารท่านอนาถปีนิกะเศรษฐีได้กราบ บังคมทูลพระเจ้าเปรตเสรษฐีโกศลเพื่อขอพระบรมราชานญาตกราบบังคมทูลเชิญพระนางสุมาณาราชกุมารีให้เสด็จไปรับเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยและพระนางสุมาณาราชกุมารีได้รับพระบรมราชานญาตพร้อมด้วยกุมารีอีกห้ารคนทั้งพระนางสุมนาราชกุมารี ได้ทรงสดบพระธรรมเทศนาแล้วได้บรรลุพระโสดาปฏิผลพร้อมด้วยกุมารี500คนที่ไปรับเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าพระวิหารพระองค์รับสั่งให้พวกอุบาสกนำเสด็จไปข้างหน้าส่วนพระองค์พร้อมด้วยพระพิสุสงเสด็จตามหลังเข้าในวัดพระเชตวันมหาวิหาร ด้วยพุทธิลาสง่างามยิ่งไม่มีที่เปรียบเทียบได้โดยพระองค์ทรงเปล่งพระสมีคือแสงสว่างหกประการได้แก่ 1. นดีละเขียวดังดอกอัญชัน 2. ปีตะสีเหลืองดังหอรดานทอง 3. โลหิตะสีแดงดังตะวันอ่อน 4. โอทาตะสีขาวดังแผ่นเงิน ห้ามันเชิดถสีโหงสะบัดเหมือนดอกเซ้งหรืองอนไก่หกประพัดสอนสีเครื่องพายเหมือนแก้วผลึกรัศมีทั้งหกประการแผ่ซ่านออกจากพรวรกายไปทั่วทุกทิศนับเป็นที่อาศจรรย์จิตของทวยเทพ ย, ยดาและมนุษย์ทั้งหลายที่มาประชุมกันอยู่ในสถานที่นั้นครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จเข้าไปประทับในพระวิหารเรียบร้อยธนนาถบินกะเศรษฐีได้กราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์จะปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับพระวิหารนี้พระเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนครห บ, บดีท่านจงถวายพระวิหารนี้แก่พระพิสุสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสีเ่เถิด ทนนาถบิกาเศรษฐีกราบทูลรับพระพุทธนรัติ์แล้วจึงจับเต้าทองคำหลังน้ำในต้าทองคำลงไปที่พระหัตถ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์ของบอบถวายวัดพระเชตวันมหาวิหารนี้แก่พระสงฆ์ที่มาจากทิศทางสีมีพระองค์ทรงเป็นประมุกพระจวะนี่ก็เป็นวิธีการ ถวายวัดพระเจตวันมหาวิหารก็นับว่าเป็นวิธีการที่ง่ายดีแต่ก็เป็นวิธีการที่ยังได้กระทำติดต่อกันมาถึงในปัจจุบันนี้ด้วยวิธีการหลังน้ำเหมือนเป็นการมอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นของใหญ่ๆยกไม่ไหวให้แก่ท่านผู้ใดผู้หนึ่งเท่ากับเป็นการมอบสิ่งของนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับถวายพระวิหารแล้วทรงอนุโมทนาคือการแสดงความินดีด้วยด้วยวิหารทานกถาคือทรงพรรณนาถึงทานได้แก่การให้ที่อยู่อาศัยว่ามีผลดีอย่างไรเพราะว่าการให้ที่อยู่อาศัยมีผลดีชื่อว่า ให้ความสุขทั้งปวงฉะนั้นผู้ที่สร้างที่อยู่ถวายพระภิสุขสงฆ์ในพระพุทธศรราสนาก็ถือว่าเป็นการสร้างสิ่งที่เป็นความสุขให้แก่พระภิสุขสงฆ์ท่านผู้สร้างก็ย่อมได้รับความสุขทั้งปวงรุ่งเช้าขึ้น เริ่มแต่วันที่สองเป็นต้นไปธนานาถบิติกะเศรษฐีได้เริ่มงานการฉลองวัดพระเชตวันมหาวิหารมีการเรียงบริษัท4คือภิกษุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาโดยได้เตรียมพัฒตาหารในมือแรกและมือหลังให้เพียงพอกับความต้องการและงานฉลองได้ดำเนินติดต่อกันไปเป็นเวลานานถึง9เดือน จึงเสร็จสิ้นลงท่านเศรษฐีได้ใช้จ่ายทรัพย์เกี่ยวกับงานฉลองทั้งหมด18โกดกาหาปณะเป็นอันว่าทนานาถบิกะเศรษฐีได้สละทรัพย์ซื้อที่ดินสร้างพระวิหารและบริเวณและจัดงานฉลองวัดพระเชตวันมหาวิหารรวมเป็นเงินทั้งสิ้น54โกฎกาหาปณะ หลังจากนั้นทานานาถบิติกะเศรษฐีได้ถวายทานที่บ้านของตนทุกวันคือถวายสลากกพัดสลากกพัดก็หมายถึงอาหารที่ถวายตามสลากสลากนี้ก็หมายถึงซี่ไม้หรือวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมายโดยเขียนหมายเลขหรือชื่อเจ้าของทายธรรมใส่ลงในสลากนั้นโดยท่านถวายวันละ500รูป ปากขิกพัดอาหารที่ถวายปักละครั้งคือ15วันต่อหนึ่งครั้งครั้งละ500รูปสลากยาคูยาคูคือข้าวต้มที่ถวายตามสลากวันละห้ารอรูปปักขิกยาคูข้าวต้มที่ถวายปักละหนึ่งครั้งครั้งละห้ารอรูปทั่วพัดหมายถึงอาหารที่ถวายประจํา วัละ500รูปอาคันตุกพัดคืออาหารที่ถวายพระพิสุผู้จรมาจากต่างถิ่น500ร้อยรูปขมิกพัดคืออาหารเพื่อผู้เดินทางไป500รูปคิฬานพัดอาหารที่ถวายพระพิสุอาพาธ500รูปคิฬานุปถากพัดหมายถึงอาหารเพื่อถวายพระภิสุผู้พยาบาลพระผู้ป่วย และปูราดอาสนะประจำว้สสำหรับพระภิสุกไปฉันประจำวันวันละห้าร้อยที่ภายในเรือนของท่านเกียรติคุณอันสูงส่งของท่านนาถามินติกะเศรษฐีที่ท่านได้รับยกย่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยมีอยู่ในบาลีคัมภีร์อังคุตตรนิกายเอกนิบาตว่าการต่อมาภายหลัง เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งในวัดประเชตวันมหาวิหารทรงตั้งอุบาสกทั้งหลายไว้ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมเรียกว่าเอตะทัคคะทั้งหลายตามความเหมาะสมได้ทรงประกาศตั้งธนนาถบิติกะเศรษฐีไว้ในตำแหน่งอันเลิศความว่าลูก่อนพิกสุท์ทั้งหลายสุทัตตาอนาถบิดิกะกระหังดี เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายผู้เป็นอุบาสกของตถาคตในฝ่ายการถวายทานก็เป็นอันว่าธนานาถบิกาเศรษฐีนี้เป็นผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในด้านการถวายทานธนนานาถบิกาเศรษฐีนอกจากจะมีความดีเด่นที่สุดในการบริจาคทานแล้วท่านยังประพฤติปฏิบัติตนเองอยู่ในศีล และพร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวของท่านก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามด้วยดังมีเรื่องอยู่ในอันตรกถาคำพีขุตกรนิกายชาดกแห่งสริกาลกานีชาดกว่าท่านานาถบิดิกะเศรษฐีได้รักษาศีล5ประการอยู่เป็นนิทนับตั้งแต่เวลาที่ท่านได้เสร็จเป็นพระโสดาปติผลแล้ว คำว่าพระโสดาปฏิผลก็หมายถึงผลของการเป็นผู้เข้าถึงกระแสธรรมหรือกระแสพระนิพพานแล้วเรียกท่านผู้ที่ได้เสเร็จพระโสดาปฏิผลว่าเป็นพระโสดาบันเรื่องของศีลห้าประการที่ท่านอนาถปิฎิกะเศรษฐีรักษาอยู่เป็นนิดเป็นศีลสำหรับทุกคนเป็นกติการในใจของตนเอง เรียกว่าเป็นกติกาในใจของแต่ละบุคคลเมื่อต้องการจะรักษาศีลก็ต้องตั้งกติกาในใจของตนให้แน่วแน่ ว, นว่าตนจะรักษาศีลศีลแปลว่าปกติหรือเย็นมีห้าข้อคือ1เว้นจากการทำลายชีวิตภาษาบาลีว่าปานาติปาตาเวรมณี2 เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้ภาษาพระว่าอธินนาธานาเวรมณีเว้นจากประพฤติผิดในกามภาษาบาลีว่ากาเมสุมิชาจาราเวรมณี 4. เว้นจากการพูดเท็จภาษาบาลีว่ามุสาวาทาเวรมณีห เว้นจากเศษของมืนเมาคือสุราและเมรัยตลอดกระทั่งมัชชะก็ของมืนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทภาษาบาลีว่าสุราเมรยะมัชชะปะมาทฐานาเวระมณีนี่ก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับศีลห้าประการ บุญลัคนาเทวีภรรยาของท่านานาถาบินติกะเศรษฐีก็รักษาศีลห้าอยู่เป็นนิดเหมือนกันแม่บุตรของท่านเศรษฐีก็รักษาศีลห้าตามอย่างท่านเศรษฐีและตลอดกระทั่งบาวไพรในบ้านของท่านเศรษฐีก็ตั้งใจรักษาศีลห้าเช่นเดียวกันนับเป็นครอบครัวตัวอย่างที่ยึดการเดิมเนินชีวิตที่สูงสุด ด้านมนุษยธรรมคือธรรมของมนุษย์ด้วยการรักษาศีลผลดีแห่งการรักษาศีลที่บรรดาบุคคลในครอบครัวของท่านเศรษฐีได้เป็นที่ปรากฏโดยทั่วไปคือวันหนึ่งพระพิสุทังหลายนั่งประชุมสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าทานานาถาบินิกะเศรษฐีเป็นผู้งาม ทั้งตนและบริวารด้วยการประพืิยึดมั่นอยู่ในเบนจศีนคือสีห้าเป็นนิตยาการพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปประทับในโรงธรรมสภาที่พระพิสุทังหลายนั่งประชุมสนทนากันอยู่และได้ตรัสรับโรง กับพระพิสุทิ์ทั้งหลายว่าธนนาถนวิริกะเศรษฐีเป็นผู้งามทั้งตนเองและบริวารทั้งหลายด้วยการประพฤติยึดมั่นอยู่ในศีลบุคคลผู้มีบุญบา ร, รมีย่อมจะมีใบบุญปกแผ่ไปถึงแก่ผู้อื่นด้วยดังเช่นธนนาถนวิริกะเศรษฐีเป็นผู้มีบุญญาพินิหาร แผ่ไปยังบริวารชนของท่านอีกทั้งท่านเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยจึงช่วยให้บริวารชนได้ประพฤติปฏิบัติตนดีงามตามไปด้วยโดยมีเรื่องราวเล่าไวในอัตถกถาคัมภีร์มโนรัฐปุรณีและในอัตถกถาคัมภีรธรรมบทแห่งอภปมาทวรกในเรื่องพระนางสามาวดีว่ามีบุรุษ เข็นใจคนหนึ่งเที่ยวแสวงหารับจ้างทํางานจึงได้เป็นลูกจ้างอยู่ในบ้านของท่านอนาถบิกษัตริย์เถี่ยเขาได้อาศัยการทํางานรับจ้างเลี้ยงชีวิตเวลาต่อมาเมื่อถึงวันอุโบสถวันหนึ่งท่านอนาถบิดกะเศริย์กลับมาจากวิหารแล้วถามว่าในวันนี้ใครๆได้บอกถึงวันอุโบสถแก่ ลูกจ้างคนนั้นแล้วหรือยังบุคคลในบ้านเรียนตอบว่าข้าแต่นายยังไม่มีใครบอกเขาเลยครับธนานาณาถาบิตกะเศรษฐีจึงสั่งว่าถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าจงหุงหาอาหารเย็นไว้สำหรับเขาคราวนั้นคนเหล่านั้นก็หุงข้าวสุกด้วยข้าวสารหนึ่งกอบไว้ให้แก่ลูกจ้างผู้นั้น ฝ่ายลูกจ้างผู้นั้นกระทำการงานในป่าอยู่จนตลอดวันและเขาเขากลับมาบ้านในเวลาเย็นเมื่อมีคนคดข้าวให้ก็ยังไม่ยอมบริภกในขณะ น, นั้นด้วยคิดว่าเราเป็นผู้หิวแล้วแต่คิดพิจารณาว่าในวันอื่นๆที่ผ่านมาเสียงโกลาหนึกกล้องดังมาก ย่อมมีอยู่ในเรือนนี่ว่าขอท่านจงให้ข้าวขอท่านจงให้แกงขอท่านจงให้กับส่วนในวันนี้ทุกคนนอนเงียบเสียงหมดแต่มีผู้ช่วยคดอาหารให้เราคนเดียวท่านนั้นนี่มีเหตุอะไรเนาะเขาจึงถามว่าคนอื่นบริโภคหมดแล้วหรือครับบุคคลทั้งหลายตอบว่า ดูก่อนพ่อคุณบุคคลเหล่านั้นไม่บริโภคอาหารหรอกผู้รับจ้างจึงถามเพื่อต้องการรู้เหตุผลว่าเพราะเหตุใดครับบุคคลเหล่านั้นจริงไม่บริโภคอาหารครับบุคคลทั้งหลายตอบชี้แจงว่าในเรือนนี้เขาไม่หุงอาหารเวลาเย็นในวันอุโบสถทั้งหลายบุคคลทั้งทุกคน ย่อมเป็นผู้รักษาอุโบสถศีลโดยที่สุดแม่แต่ดเด็กผู้ยังดื่มน้ำนมท่านมหาเศรษฐีก็ให้โบนปากและให้ใส่ของมีรสหวานสี่ชนิดลงในปากรสหวานชีสี่ชนิดก็ได้แก่เนยใสในคข้นน้ำพึ่งน้ำอ้อยแล้วทำให้เป็นคนรักษาอุโบสถศีลเมื่อประทีบคือโคมไฟ ที่ระคนด้วยน้ำมันหอมสว่างโพรงอยู่เด็กเล็กและเด็กใหญ่ทั้งหลายเข้าไปที่นอนแล้วสาธยายอาการ32ก็คือการท่องหรือการว่าอาการ32มมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นแต่พวกเราลืมบอกแก่ท่านว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถเพราะเหตุนั้น พวกเราจรึงหุงข้าวไว้เพื่อท่านคนเดียวท่านจรงรับประทานอาหารนั่นเถิดผู้รับจ้างจริงถามว่าถ้าการที่กระผมจะเป็นผู้รักษาอุโบสถในวันนี้หรือในบัดนี้ย่อมสมควรหรือไม่กระผมจะได้เป็นผู้รักษาอุโบสถทศินบ้างขอรับบุคคลทั้งหลายตอบว่าท่านานาถามิติกาเศรษฐีย่อมรู้เรื่องนี้ดี ผู้รับจ้างจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงเรียนถามท่านอนาถบินิกะเศรษฐีเถิดขอรับบุคคลเหล่านั้นได้ไปเรียนถามท่านอนาถบินิกะเศรษฐีแล้วท่านอนาถาบินิกะเศรษฐีกล่าวชี้แจงว่าชายนั้นไม่บริโภคอาหารในบัดนี้บ้วนปากแล้วตั้งใจอธิษฐานองค์อุโบสถศีลทั้งหลายก็จะเป็น องอโบทศีนครึ่งหนึ่งฝ่ายคนรับจ้างได้ฟังคำนั้นแล้วจึงได้ทำตามคำแนะนำนั้นเมื่อเขาหิวโหยแล้วเพราะเขาได้ทำงานมาตลอดทั้งวันลมได้กำเริบขึ้นในร่างกายของเขาเขาจึงใช้เชือกผูกท้องไว้จับปลายเชือกทั้งสองนอนกลิ้งเกลือกไปมาอยู่ ทนานนาถวิติกาเศรษฐีได้รู้เรื่องนั้นแล้วจึงให้คนถือคบเพลิงและให้คนถือของมีรถหวานสีชนิดมาอย่างที่อยู่คงชายผู้รับจ้างนั้นแล้วถามว่าเป็นอย่างไรบ้างพอคุณผู้รับจ้างเรียนตอบว่าแค่ท่นนายลมได้กำเริบขึ้นในร่างกายของกระผมมากครับ ธนนาถ า, าบิดิกะเศรษฐีจริงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอจึงลุกขึ้นรับประทานเพสัน์นี้ท่านผู้หวังครับเมื่อธานานาถาบิดิกะเศรษฐีบอกให้ผู้รับจ้างรับประทานเภสั์คือของหวานที่มีรสสี่ชนิดนั้นผู้รับจ้างจะกระทำตามธนนาถ า, าบิดิกะเศรษฐีหรือไม่อย่างไร ขอให้ท่านผู้ฟังรอรับฟังในวันต่อไปเนื่องจากวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วต้องข อ, อยุติเว ล, ลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้สวัสดีครับ